1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยคือพิจารณาปรากฏการที่เป็นผลให้รู้จักสภาวะที่เป็นจริงหรือพิจารณาปัญหาหาหนทางแก้ไขด้วยการค้นหาสาเหตุและปัจจัยต่างๆที่สัมพันธ์ส่งผลสืบทอดกันมาอาจเรียกว่าวิธีคิด แบบอิทับปัจจยตาหรือคิดตามหลักปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นวิธีโยนิโสมนสิการแบบพื้นฐานดังจะเห็นว่าบางครั้งท่านใช้บรรยายการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เฉพาะเริ่มจากผลสืบค้นโดยสาวไปหาสาเหตุและปัจจัยทั้งหลายเท่านั้นในการคิดแบบอิทับปัจจยตานั้นจะตั้งต้นที่เหตุและสาวไปหาผล หรือจับที่จุดใดๆในกระแสหรือในกระบวนธรรมะแล้วค้นไล่ตามไปทางปลายหรือสืบย้อนมาทางต้นก็ได้วิธีนี้กล่าวตามบาลีพบแนวปฏิบัติดังนี้คิดแบบปัจจัยสัมพันธ์โดยอริยาสาวกโยนิโสมนสิการการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดขึ้นดังที่ว่า ภิกษุทั้งหลายการที่ปุถุชนผู้คาสุตตะจะพึงเข้าไปยึดถือเอาร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสีน่นี้โดยความเป็นอัตตายังดีกว่าแต่การจะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นอัตตาหาควรไหมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูททั้งสีน่นี้ที่ดารงอยู่ปีหนึ่งบ้าง สองปีบ้างสามปีบ้างละถึงร้อยปีบ้างยิ่งกว่าร้อยปีบ้างยังปรากฏแต่สิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างนั้นเกิดขึ้นอย่างหนึ่งดับไปอย่างหนึ่งทั้งคืนทั้งวันภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้มีสุตตะย่อมมนสิการโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุป บ, บาทในกองมหาพูทนั้นว่า เพราะดังนี้ดังนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับอาศัยผรรษะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาจึงเกิดสุขเวทนาขึ้นเพราะผัรษะ อันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นก็ย่อมดับย่อมสงบไปอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาจึงเกิดทุกขเวทนาขึ้นเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นดับไปทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นก็ย่อมดับย่อมสงบไปอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์จึงเกิดอาทุกขมาสุขเวทนาขึ้นเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นดับไปอาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาทุกขมสุขเวทนานั้นก็ย่อมดับ ย่อมสงบไปพิกษุทั้งหลายเพระไม้สองอันครูสีกันจึงเกิดไ อ, อุ่นจึงเกิดความร้อนแต่ถ้าแยกไม้ทั้งสองอันนั้นแหละออกเสียจากกันไ อ, อุ่นซึ่งเกิดจากการครูสีกันนั้นก็ดับไปสงบไปแม้ฉันใดพิกษุทั้งหลายอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา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 ทรงพิจารณาว่าเรานั้นได้มีความคิดว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนออุปาทานจึงมีอุปาทานมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยลำดับนั้นเพราะโยนิโสมนสิการจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเมื่อตัญหามีอยู่อุปาทานจึงมีอุปาทานมีเพราะตัญหาเป็นปัจจัย ลำดับนั้นเราได้มีความคิดว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนาตัณหาจึงมีตัณหามีเพราะอะไรเป็นปัจจัยลำดับนั้นเพราะโยนิโสมณสิการจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเมื่อเวทนามีอยู่ตัณหาจึงมีตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เนื่องจากถือได้ว่าคำอธิบายในเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ผ่านมาแล้วในบทหนึ่งข้างต้นนั้น <c oughs> ก็เหมือนเป็นคำอธิบายวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนี้ด้วยแล้วคำอธิบายวิธีคิดแบบนี้จึงขอจบเพียงเท่านี้